19 เดือนพฤษภาเราต่างคนต่างมา ik ben kondigd. Ik ben kondigd. Ik ben kondigd. Ik ben kondigd. Ik ben kondigd. Ik คำสั่งพร้นให้มาปราบรามทำลาย เพียงกล้าบังอาจค่า ปิดล้อมรับคำสั่งโรมให้มา ทำตามทอระราดจึงกล้าบัง